บุญคำกับคริสติน่าที่ค่อยๆโรยตัวตามกันลงไปทิ้งระยะห่างกันหนึ่งช่วงตัวเสียงตะคำเตือนแม่มให้ระวังตัวทุกอาการเคลื่อนไหวเพราะแงห่หินจับตะไคร่น้ำลื่นมากขณะนี้ตาพรานเท่าคิดอยู่สองอย่างเท่านั้นคือนายจะตายหรือเปล่ากับรักและนับถือน้ำใจของแม่มผมทองขึ้นอีกอักโขที่แม้จะดูผัดผาดว่าดีแต่หญิงจองหองแต่เมื่อถึงเวลาเป็นเวลาตายจริงๆแล้ว หล่อนเป็นผู้กล้าหาญและเสียสละสุดยอดคนหนึ่งซ้ำยังสกิดีคล่องแคล่วฉับไวไปหมดโดยเฉพาะยอมเสี่ยงไตเหิวลงมาช่วยเจ้านายของแกซึ่งผิดวิสัยของผู้หญิงทั่วไปดูดูแล้วก็เกือบเหมือนกับนายหญิงดารินและแมมมาเรียมากและบุญคำก็ลงถึงร่างของระพินแกหยุดชงะงักจ้องดูภาพของเจ้านายที่นอนงายสงบอยู่อย่างเป็นห่วงเสียงคริสตินาร้องตือนมาว่าเอา้า อย่าหยุดจุดตรงนั้นสิโรยตัวต่ำลงไปหาแง่หินเหยียบยันไว้แล้วค่อยประคองด้านหลังของเขาอย่าให้พลัดหลุดลงไปอีกละสมุนขวาของรพินปฏิบัติตามคำสั่งทันทีครางออกมาอุบอีบว่าโท่นายกูส่วนคริสติน่ากัดริมฝีปากแน่นค่อยๆผ่อนสายเชือกทีละช่วงโหนตัวลงไปจนกระทั่งมาแตะเท้าพยุงตัวอยู่บนแง่หินได้เพราะเหยียบได้ ก็ใช้มือเกาะแง่หินด้านสูงไว้อีกเท้าหนึง่งเหยียบบนชานพักสามารถยืนได้อย่างถนัดขึ้นแล้วล่วงกระเป๋าเสือ้อหยิบเอาไฟนีออนแบบแบตเตอรี่จิว๋วขนาดแบนสี่เหลี่ยมโตกว่ากล่องบุหรี่เล็กน้อยออกมาเปิดสวิตไฟสว่างนวลขึ้นเพราะลำแสงไฟฉายจากพักพวกที่ช่วยส่องลงมาจากด้านบนไม่กระจางเท่าที่ควรหล่อนวางปลักนีออนนั้นลงกับชะงอนหินระดับที่ใกล้เคียงร่างของกระพินที่สุด แล้วสุดกายเอื้อมมือไปแตะร่างกายของพรานใหญ่ครั้งแรกใจหายว่าเพราะสัมผัสกับความเย็นเฉียบและชื้นไปด้วยละอองน้ำกระพินหล่อนกระซิบแทบไม่มีเสียงผ่านลำคอออกมาเบื้องบนทุกคนเงียบกริบตาจ้องมองขมิงลงไปเบื้องล่าง คริสติน่าผูกเชือกที่ใช้โรยตัวลงกับเอวตัวเองแน่นกระชับเพื่อป้องกันไว้ก่อนแล้วต่ชานหินเข้าไปจนชิดร่างที่นอนนิ่งอยู่บนนั้นร้องถามหาบุญคำเบาๆก็ได้รับคำตอบว่าไปคอยยันระวังอยู่ด้านล่างแล้วโดยเหยียบยืนอยู่กระแง่หินตอนหนึง่งไม่ต้องกลัวตัวของนายราพินลนไหนแ ม, มบุญคาเอามือยันรับส่วนหลังของแกไวแล้ว แม่ผมทองค่อยๆเ อ, อื้อมมือไปคว้าข้อมือของพรานใหญ่ผู้เคราะรารอย่างแผ่วเบาตามองอยู่ที่ใบหน้าเขียวคล้ำและตาหลับสนิทนั้นแสงไฟจากนีออนกล่องเล็กที่หล่อนเปิดตั้งไว้สว่างพอที่จะเห็นอะไรตรงนั้นได้ถนัดชัดเจนพอสมควรทีเดียวแล้วหล่อนก็จับที่ประจรที่ข้อมือข้างนั้นถอนใจเฮือกลับตาหลง เอามือข้างนั้นมันแนบกับแก้มของตนเองจูบเบาๆโดยอีกฝ่ายไม่รู้สึกขอบคุณสวรรค์กระซิบอยู่กับตัวเองเบาที่สุดภาพนั้นไม่มีใครเห็นแม้แต่บุญคำเองเพราะตัวแกลงไปอยู่ด้านล่างของบริเวณที่พรานใหญ่นอนอยู่เฮทำไมเงียบกันไปหมดอย่างนั้นเรากำลังรอฟังข่าวอยู่แม้จะเป็นข่าวร้ายที่สุดก็ตาม เสียงสเตลลีตะโกนกรอกแจ้งลงมาอาตาชีพจรคริสบอกมาดิค่อนข้าง อ, อ่อนหกสิบตนาทีสวรรค์สงโปรดคอยเต้นอยู่เท่านั้นฉันรับรองฉันรับรองว่าเอาไว้อยู่เอาละคริสเอาเชือกที่้อยลงไปนี่นะมัดตัวเขาไว้มั่นคงแข็งแรงที่สุด พร้องที่สีข้างนะไตระดับแขนทั้งสองข้างเสร็จแล้วตะโกนบอกพวกเราขึ้นมาเวลาเราดึงขึ้นเธอกระบุนคำไตประคองคอยจับร่างกายเขาไว้ด้วยนะย้ายกระแทกกัน ง, ง่าหินตกลงรอเดียวคริสตะโกนบอกขึ้นไปแล้วคว้าเชือกที่พักพวกยอมตามลงมาเส้นหนึง่งอันแกว่งอยู่ใกล้ที่สุด ออกกำลังกระตุกเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่าหล่อนจะใช้เชือกเส้นนี้ผูกมัดร่างกายของระพินพวกข้างบนเข้าใจดีจากนั้นหล่อนก็ย่อนเชือกผ่านสีข้างของระพินลงไปด้านล่างบุญคำเห็นสายเชือกที่ฉันย่อนลงไปนี่ไหมเห็นนายแมนจับไปนะหันอ้อมมาทางด้านที่ฉันนั่งอยู่นี่แล้วส่งปลายขึ้นมา อึดใจเดียวบุญคำก็แย่ปลายเชือกที่พันรอบกายระพินจากด้านล่างขึ้นมาให้คริสตินา่าหลัจัดการปลุกมัดหลวมๆกับบริเวณซวงอกต่ำกว่าบริเวณรักแร้ทั้งสองด้วยเงื่อนที่จะไม่มีวันหลุดคลายออกได้ขณะนั้นเองบุญคำผู้อยู่ต่ำลงไปก็ถามเบาๆว่าแมน่นายของบุญคำไม่ตายแน่นะความจริงถ้าตายเสียได้ พวกของบุญคําก็สบายนะ่ะจะได้ไม่ต้องลําบากลำลำบนเดินทางกันต่อไงอ้าวไงพูดอย่างไง้นละแม่ก็ไม่มีใครใช้ไม่มีใครวานซักกนหน่อยอุตสาเดินมาตกเหวเองเมืนเจตนาจะฆ่าตัวตา ย, ยางั้นแหละคนอะไรก็ไม่รู้โธ่แมมนี่ทำไมแมมไม่ได้เสียงไตเหวลงมาพร้อมกับไอ้คำละก็พูดแบบนี้นะ่ะไอ้คำผลักแม่ตกเหวไปแล้ว พวกข้างบนก็ไม่รู้ด้วยว่าบุญคำฆ่าแมมนึกว่าอุบัติเหตุก็บุญคำจะฆ่าฉันเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่ไม่ว่าอะไรนี่หลันต่อเเรียบๆขณะที่บรรจงผูกเงื่อนขาไม่ลงรอกสวยออกแบบนี้เกงกล้าก็ออกแบบนี้เก็บไว้นายของบุญคำดีกว่าแก ต, ตอบเสียงอู่อีมาจริงหรือเปล่าบุญคำ อีกฝ่ายถามกลับมาโดยที่แกไม่คาดคิดและปัญญาอย่างแกก็ไม่สามารถจะโต้อตอบสวนคำไปได้ทันทันกับที่ฝ่ายที่เหนือกว่าโดยประการทั้งปวง ก, ก็เลยเสยบอกซะว่าไรเฟิลของพลานใหญ่ตกไปอยู่ในซอกหินข้างล่างน่หาอีกนิดเดียวเท่านั้นแม่มัดนายเสร็จก็ช่วยประคองตัวไว้ให้พวกนั้นชักรออขึ้นไปนะบุญคำจะลงไปเก็บไรเฟิลของนาย ไม่แน่จริงนี่ตาคําสียงคริสติน่าบอกมาปนหัวเราะเบาฉันถามอะไรไม่เห็นตอบให้ตรงคำถามนี่ลูกน้องแต่ละคนรู้สึกจะหวงลูกพี่เหลือเกินนะอย่ากังวลไปเลยฉันไม่ทำให้เจ้านายของพวกเธอต้องทรยศ์ต่อผู้หญิงที่เขารักหรอกแล้วฉันเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเขามากไปกว่าผู้ร่วมงานสำคัญคนหนึ่งเท่านั้นก็ดีนั้นไอคําก็ลงอกไปที ยังแม่มคริสเนี่ยถ้าจะเอานายระพินเมื่อไรก็เอาได้เหมือนนั้นแหละนายของบุญคำนนะ่ะพระอิตพระปูนีน่นายนายน่ะดูผาดผาดแกก็ไม่เห็นหนะ้าพิษศาวาส์สําหรับผู้หญิงคนไหนเลยสักนิดลูกก็ไม่หลอ่อพ่อก็ไม่รวยก็รุ่งกระริ่งมอมแมมไปทั้งตัวทั้งตะปีตะยชดแต่น้ำใจของแกก็ประเสรนะิฐนักในเรื่องความเป็นลูกผู้ชายสุภาพบุรุษผู้หญิงคนไหนมาเดินป่าระจนภัยก็แก ก็อดรักแก้ไม่ได้ก็เพราะเรื่องนี้แหละแต่พอแยกทางกันไปแล้วทุกคนก็ลืมกันหมดแต่ใครอีกคนหนึ่งก็ยังคงไม่ลืมเขาไม่ใช่เลยก็ไม่รู้สิถ้าไม่ลืมก็ควรมาตามแต่ไม่รู้จะตามมาหรือเปล่านายของบุญคําเป็นคนไม่มีวาสนาแต่ใครเขาหรอแม้กระทั่งเรื่องผู้หญิงอกหักมาตลอดจะถึงไม่สนใจใยดีกับผู้หญิงไง ไม่ว่าจะสวยอยากฟ้ า, ามาดินสักแค่ไหนนี่เราก็พูดถึงกันอยู่นี่ไอ้คำยังไม่ได้ใจเลยว่าแกตายหรือเปล่าแมม่ะลอกนะไม่หลอกหรอกแต่เขาท่าทางจะอาการหนักมากทีเดียวนะ่ะหน้าแปลกอยู่อย่างนึงเท่านั้นที่เขาร่วงฟาดระมากระพื้นหินแต่ไม่มีบาดแผ ล, ลือเลือดออกเลยแผลเลือดเนะี่ะ เกิดขึ้นกับ น, นายรพินยากแม่แกมีของดีอยู่โยงคงกระพัน์มีโกนเฉนยังไม่เข้าเลยแต่ไอเรื่องช้ไหนนี่ต่อให้ดีสักแค่ไหนก็กันไม่ได้ถ้านายรพินจะตายก็คงไม่ใช่ตายเพราะบาดแผลหรือเลือดออกหรอกแต่อาจจะตายเพราะเลือดตกในหรือช้ไหนเสียมากกว่าก็าไม่ก็ตายด้วยโรคเกาของแก คริสติน่าผูกระพินผู้ไร้สติเสร็จทดลองจนแน่ใจก็ตะโกนบอกขึ้นไปว่าเรียบร้อยชุดขึ้นได้ช้าๆนะฉันจะไต่ประคองเขาขึ้นไปพร้อมกันด้วยโอเคเสียงร้องตอบลงมาขณะเดียวกันร่างของระพินที่กำลังนอนไหยอยู่ก็เริ่มค่อยๆขยับขึ้นอย่างช้าๆ แล้วลอยจากบริเวณนั้นในลักษณะแขวนตงเตงร่องแรงคริสติน่าส่งไฟนีออนแบบกล่องเล็กไปให้บุญคำเพื่อให้แก่ไตลงไปเอาไราเฟิลที่ลนต่ำไปค้างอยู่ในซอกหินตัวหลอนเองโขนสายเชือกประคองร่างหมดสติของพรานใหญ่เป็นพี่เลี้ยงเคียงคู่ขึ้นมาโดยคอยพยุงร่างเขาให้ลีกจากแง่หินอันโผล่ขวางอยู่ พร้อมกับร้องเตือนพรรคพวกขึ้นไปเป็นระยะระยะให้ใช้ความระมัดระวังขีดสุดประมาณห้าหกนาทีเท่านั้นร่างของจอมกุเทก็ขึ้นมานอนสลกแผ่อยู่บนป่าเขวทุกคนพูกันเข้ามามุงล้อมทันทีหมอเบรปราดเข้าถึงตัวก่อนก้มลงฟังหัวใจและตรวจชีพจรด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเชิดบุตรคีตและสไตลี ตรวจดูตามร่างกายไม่พบอะไรนอกจากรอยปูดโนและฟุกช้ำดำเขียวตัดไม้มาทำแคล่เดี๋ยวนี้เราต้องเอาเขากลับไปแคมป์เร็วที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือปฐมพยาบาลไม่ได้มีติดมือกันมาด้วยนี่เบลพูดเร็วหรือเชอร์บก็หันไปร้องบอกเกิดเซยและจันในทันทีนั้นทั้งสามออกพผ่นผงไปจัดการทำแค่หามในทันทีคริสติน่ายัางนั่งเอามือยันพื้นอยู่กับที่ เพราะความเหนื่อยอ่อนตะคมละ่ะยังไม่ขึ้นมาอีกเหรอคีดหันไปถามแม่ผมทองไปเดี๋ยวก็คงตามขึ้นมาละไม่ต้องห่วงกร็กรอกแกลงไปเก็บปืนของระพินหล่นลงไม่ติดซอกหินระดับต่ำลงไปอีกนิดหน่อยไม่เป็นอะไรแน่นะเบลสเตลีหันไปถามลูกน้องผู้มีฐานะเป็นแพทย์ประจําคณะที่กําลังตรวจม่วนอยู่ น่าจะคอหักตายไปแล้วไม่ทราบรอดอยู่ได้ยังไงบาดแผลก็ไม่มีเลยแต่หนักแน่คอาจารย์สภาพที่เขาตกลงไปอย่างที่เราเห็นอยู่นี่ถ้าเป็นคนทั่วไปในรายเฉลี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนอกจากสวดส่งวิญ ญ, ญาณแล้วก็ขุดหลุมฝังได้แต่นี่เขาหายใจอยู่แม้จะไม่ปกตินะโอ้เนื้อหนังดีชะมัดเลยเสือนี่ลูกศิษย์อาจารย์ไหนวะพระเพลิก็ไม่เห็นแขวน เชิดวุฒซึ่งบบบนี้สีหน้าดีขึ้นพูดออกมาเบาๆอย่างศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่หมายความว่ายังไงที่ว่าเนื้อหนังดีเบนผู้ไม่เข้าใจภาษาไทยแตกฉานนักหันมาถามขณะที่ประคองศีรษะพินทดลองบิดเบาๆไปมาเพื่อสำรวจกระดูกคอต่อและตรวจดูกระดูกส่วนต่างๆว่าจะหักหรือดอกไปบ้างหรือเปล่าคุณ พวกที่มาจากดินแดนวิทยาศาสตร์จะไม่มีวันเข้าใจหรอกคนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะคนไทยที่เขาเร่มเรียนทางสายศาสตร์แก่กล้าเขามีอะไรอยู่ในตัวชนิดที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เนื้อหนังอยู่ยงคงกระพันอาวุธหรือของมีคมทุกชนิดยากที่จะทําอันตรายเขาได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนไปเป็นเพียงบางคนที่เก่งจริงๆเท่านั้นคุณเห็นด้วยความประหลาดใจ ว่าระพินหล่นเหวกระทุกแง่หินระไปตามลำดับแต่ไม่มีรอยแตกรอยบาดแผลหรือเลือดออกเลยก็แปลว่าเนื้อหนังของเขานคงทนเป็นพิเศษถ้าไม่เกิดจากของขังประจำตัวเวทมนต์คาถาก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขายึดมั่นนับถือคุ้มครองป้องกันเขาไว้ระพินน่ะถ้าไม่มีดีในด้านนี้อยู่กับตัวเขาก็คงเป็นฟานใหญ่าไม่ได้ทุกวันนี้หรอกไม่สังเกตมั่งเหรอ ขนาดดงนหนามหนาทึบพวกเราฝ่ากันไปไม่ไหวหรือพยายามเดินติดตามเขาก็เลือดออกซิบเพราะหนามันเกี่ยวมันตําแต่นายนี่นะ่ะเดินบุกเข้าไปยังกระเดินแผ่นดงขนนกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนั่นแหละหมายถึงว่าเนื้อนหนังของเขาคงทนกว่าเราไนงะฝ่ายเมกันทุกคนยกเว้นคริสติน่าซึ่งได้รับทราบมาจากบุญคําก่อนแล้วงงไปไม่เข้าใจอะไรนักคีดแย้งมาว่า งั้นตอนที่ต่อยกับฉันวันนั้นทำไมถึงหน้าแตกแหกเลือดออกโรงไปเหมือนกันถ้าเหนียวจริงมันก็ต้องไม่แตกซื้อว่ะของอย่างเงี้ยมันไม่แน่รอกคิดมันอยู่ที่ตัวเขาเองว่าจะเรียกพลังจิตบริกรรมเวทมนต์คาถาบ้องกันตัวไว้หรือเปล่าถ้าเขาปล่อยให้มันว่างมันก็เกิดบาดแผลเลือดออกได้เหมือนกันไม่งั้นเวลาที่เขายอมไม่ฉีดยาเข็มฉีดยาจะทะลุเข้าไปได้ยังไง ท่านนายไม่เชื่อเวลาเขาได้สติหายดีแล้วลองผลัดกันเอามีดเฉือนเนื้อกันกระเข้าคนละทีดูก็ได้ฉันว่านายเชื่อท์เขาไม่เข้าหรอกแต่ถ้าเขาเชื่อทนายแล้วก็เลือดกระชูดเฮ้ยไม่เอาด้วยหรอกกลัวใจเสือนี่ขนาดตกเหวลงไปแบบนี้ยังหายใจอยู่ได้อีกก็เห็นรีบแล้วส่องไฟลงไปพบครั้งแรกร้อยเอร์เซ็นฉันว่านายนี่เป็นศพพอคริสต์กรบอกขึ้นมาว่าชีพจรยังเต้น ฉันนี่แทบไม่เชื่อหูแต่นี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าฟื้นขึ้นมาประสาทสมองจะยังใช้การได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ากระทบกระแทกแรงมากขนาดท้ายทอยด้านหลังระบวมปูดเลยก็โลกด้านหลังนั่นก็โนโบวมยังกระ ล, กปปลูกแอปเปิ้ลถ้าเกิดเลือดขังในสมองก็เสจถึงไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตประโยคหลังของคิดเป็นความหนักใจของหมอเบเช่นกัน หล่อนพยายามก้มลงกระซิบเรียกนามเขาข้างหูทีๆแต่ก็ไม่ได้มีอาการตอบรับหรือแสดงว่าเขารู้สึกตัวอย่างใดทั้งสิ้นบัดนี้แค่สำหรับถามคนเจ็บที่ทำอย่างลวกๆกเสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความชำนาญของพวกพรานพื้นเมืองมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่บุญคำไต่เชื่อขึ้นมาจากเหวไปอินพ้นขอบขึ้นมาได้พร้อมกับไรเฟิลประจมือของระพิน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 โดยมีปืนระวังพร้อมอยู่ในมือส่วนไฟฉายบุญคำบอกว่าหล่นลงไปกระบอกแตกละเอียดอยู่กับพื้นชานหินใกล้เคียงไครเฟินใช้การอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ได้เก็บซาาขึ้นมาเปลรสนามเสร็จสักโดยสแตลีผู้ร้อนรุ่งเร่งเตือนอยู่ตลอดเวลาพอเปลรจำเป็นฮิ้วกันมาถึงเชิดพุดกระคิดก็ช่วยกันยกร่างของแพนใหญ่ที่ไร้สติอยู่ขึ้นไปนอนสงบนิ่งอยู่บนนั้น ไม่มีการรอช้าอีกต่อไปกลับที่พักเร็วที่สุดหัวหน้าคณะสั่งแผานทั้งสี่เข้าประจำแค่นั้นยกขึ้นหามคนละด้านทันทีแล้วออกเดินนำาลิ้วลงไปก่อนฝ่ายนายจ้างทุกคนก็เดินไปตามมาอย่างกระชั้นชิดบัดนี้ทุกคนใจมาครึ่งหนึ่งแล้วที่ค้นพบได้ตัวจอบมัคุเทศเหลือแต่ความวิตกเท่านั้นว่าอาการของเขาจะเป็นเช่นไร ตำแหน่งที่ค้นพบกระพินตกลงไปสิ้นสติอยู่ในเหวบนเนินเขาเตี้ยๆกับบริเวณหน้าผาใหญ่อันเป็นที่ตั้งแคมป์ความจริงก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะถ้ารู้ที่หมายแน่นอนซะอย่างเดียวการจะเดินกลับแคมป์กันอย่างเร่งด่วนในเวลากลางวันที่ตะวันขึ้นแล้วเช่นนี้ก็ใช้เวลาเพียงไม่เกิน25หรือนาทีเท่านั้นแต่เมื่อตอนใกล้สว่างที่ยังมืดมิดนั้นทุกคน อยู่ในภาวะทำทางและพยายามแกะหาร่องรอยตามติดไปอย่างระมัดระวังจึงทําให้ล่าช้าเสียเวลาไปกว่าขากลับหลายเท่าในเที่ยวขากลับนี้ทั้งหมดทําเวลากันอย่างเต็มที่สภาพป่าและภูมิประเทศแวดล้อมมองเห็นได้จับแจ้งแต่ยังไม่ทันแรงและหมอกก็ยังไม่ทันจะระเหยหมดไปคณะติดตามก็ล่วงถึงบริเวณที่พักเดิมอันแหลกลานไปแล้ว ด้วยกองทัพโคจสานซึ่งมองเห็นทราบของพวกมันกองระเนระนาดเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่ทั่วไปเป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ชัดว่าเมื่อคืนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครฝันเพอ้อไปเลยแต่เป็นความจริงทุกอย่างระหว่างที่ทุกคนเดินรายล้อมเปลงของระพินตรงไปยังบริเวณที่เคยตั้งแคมป์ซึ่งบัด น, นี้พวกลูกหาบและตะเรียงหมู่บ้านตะเคียนทองทั้งหลาย ได้ลงมารอคอยฟังข่าวอยู่แล้วต็งไปหมดด้วยความร้อนใจสเตลลี Stanley ผู้รอบข้อในฐานะหัวหน้าคณะก็แวะแยกทางไปยังตำแหน่งที่จอมพรานเคยใช้เป็นที่นอนอยู่อันไม่ห่างออกไปนักคว้าได้เป้หลังและเครื่องอัดถับริขารในการนอนของเขาหิ้วติดมือตามหลังเข้าไปด้วยโดยไม่ปล่อยทิ้งไวทันทีที่พวกนั้นมองเห็นฝ่ายนายจ้างและพรานทั้งสี่หามเป้เข้ามา ทุกคนก็ส่งเสียงฮือวิ่งเข้ามามุงดูโดยเร็วเชิด ว, วุฒิก็ประกาศก้องขึ้นเพื่อเป็นการปลอบใจพวกนั้นว่าอย่าตกใจการใหญ่จะไม่เป็นอะไรหรอกเขาสะลบไปเท่านั้นแหละเราตามเขากลับมาได้แล้วไปเดี๋ยวแก้ไขสักครู่เขาคงฟื้นแล้วแล้วเขาก็หันไปบอกนายตางหัวหน้าลูกหาว่าบอกกะเรียงพวกนี้ให้รู้ทั้งหมดให้รู้นะการที่ฉันบอกเนี่ยส่งภาษากันดี นายตาผู้กำลังวิ่งเข้ามาชะโงกหน้าดูเจ้านายด้วยสีหน้าตื่นตกใจก็ร้องบอกขึ้นเป็นภาษากระเรียงตามคำสั่งแต่พวกนั้นก็ยังคงรุมรายล้อมรอบตัวรพินยอยู่เช่นนั้นพร้อมกับพูดกันแซดไปหมดขึงเต็นท์ขึ้นตรงตำแหน่งที่เราเคยวางเต็นท์เดิมนั่นแหละวางเข้าลงตรงนั้นเอาออกจากแคร่ให้นอนพื้นราบแล้วใครสักสองคนที่รู้เรื่องสัมประดีขึ้นไปเอาหีบเวชภัณฑ์ฉุกเฉินลงมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ หมอเบลสั่งการเร็วปรึ่งสุกถงทุกอย่างมีการเคลื่อนไหวกันอย่างฉับพลันทันด่วนโดยไม่ต้องเตือนซ้ำพวกลูกหาปักเสากระโจมทําเต้นชั่วคราวตามมีตามเกิดทันทีร่างของราพินถูกวางอยู่บนกองผ้าใบาที่เหลือเป็นเศษอุูเกิดกระเรยพร้อมกันบนายตับไตขึ้นไปหน้าผาทันทีเพื่อไปเอาหีดเวชภัณฑ์ขณะนั้นแสงแดดยามเช้าเริ่มจะส่องผ่านม่านหมอกม่านหมอกลงมา ให้ความอบอุ่นขึ้นบ้างและส่องจับร่างอันซีดเซียวขมุกขมอมของจอมพรานเหมือนเทพเจ้าจะช่วยฉายรังสีแห่งชีวิตให้ทุกคนฝ่ายนายจ้านกำลังวุ่นสารวนอยู่กับการตรวจ ด, ดูอาการของพรานใหญ่บุญคำก็หันรีหันขวางแล้วยักพยเยิดกับคู่หูซึ่งอาวุโสรองลงไปคือจับซุบซิอะไรพรานจะเดินผ่านซาชางหายเข้าประดงริมทางไป เชิดบุตเหลือเพนเข้าซะ ก, ก่อนก็เพนขึ้นแล่นตามออกมาสกัดหน้าทั้งสองไว้เดี๋ยวสองคนนี่จะไปไหนลุงคำก็จันน่ะจันนิ่งอึดอักแต่บุญคำมีสีหน้าสแสดงความลำบากใจแล้วบอกเคร่งขรึมผิดไปจากสภาพเดิมของแกว่าบุญคำกไอกจันก็ไม่ไปไหนหรอกนายทหารจะรีบไปหาอะไรหน่อยเดี๋ยวกลับมาก็จะไปหาอะไรละบอกกันให้ชัดหน่อยสิ นายทหารหนุ่มถามมาโดยเร็วนายราพิน์ช้ำในมากนะตกลงไปกระแทกกินจันเป็นคนบอกก่อนที่จะให้ยาฝรั่งช่วยนายนะเราต้องหาทางแก้เรื่องช้ำในก่อนไม่งั้นยาฝรั่งแก้ไม่ได้หรอกหรือแก้ได้นายราพิน์ก็จะต้องนอนทรงไปอีกหลายวันจันกับพี่คาจะไปหาสมุนไพรตัวยาที่จะแก้ช้ำในได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ที่สุด นายทหารช่วยไปบอกหมอแหม่มกันในห้างสองคนนั้นก่อนได้ไหมว่าอย่าเพิ่งให้ยารักษาอะไรนายก่อนทั้งนั้นยกเว้นแต่จะช่วยเฉพาะให้แกมีลมหายใจไปพังพลางก่อนเท่านั้นพอให้จักับพี่คําเอายาจากสมุนไพรตาำข้นน้ําผสมกับเหล้ากรอกปากแกซะก่อนเพราะแกเจียนออกมาหมดแล้วค่อยให้หมอแหม่มรักษาคราวนี้จะรักษากันยังไงก็ได้แต่ก่อนอื่นต้องเอาเลือดรายออกก่อน เชอดวุฒิหันกลับไปทางด้านกระโจมพักชั่วคราวที่ขึงขึ้นเป็นสถานีเยียวยาฉุกเฉินซึ่งบัด น, นี้เห็นเบร์คริสตินากับอเมริกันอีกสองคนกำลังคุกเข่ามุงอยู่รอบด้านและลุงคำกล้ารับรองกับฉันได้หรยอว่ามันจะได้ผลเอาหัวเป็นประกันเลยนายทหารเชื่อพวกบุญคำเถอะถ้าเราไม่มียาดีในเรื่องนี้พวกเราก็ตายกันไปหลายครั้งแล้ว ถึงนายราพินเองเหอะถ้าแกได้สติขึ้นมาในตอนนี้แกก็ต้องใช้วิธีนี้รักษาก่อนแล้วพอจะบอกฉันได้ไหมไอ้สมุนไพรตัวยาอะไรยาพื้นบ้านที่พวกชาวบ้านรักษากันเองน่ะเหรอไม่ใช่ยาสมุนไพรพื้นบ้านของชาวป่าธรรมดาหรอกแต่เป็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ชาวป่าทั่วไปที่ไม่เก่งจริงก็จะไม่รู้ นอกจากสิทธิ์มีอาจารย์อย่างนายระพินเท่านั้นพวกบุญคำเองแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้แต่นายเองนั่นแหละเคยสอนพวกบุญคำไว้เวลานายใช้แก้ไขคนชําไหนมากๆแกก็ไม่ได้รู้เองแต่อาจารย์พระธุดง์ของแกประสิทธิ์ประสานวิชาไว้ให้เขาเรียกใบหนุ ม, มานประสานกายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังกรณี ฮันุมานประสานตายสังกรณียเชิดบุตรฑูทานนี่นายทหารอย่าให้บุญคํากระจันเสียเวลาเลยยิ่งช้าเท่าไหร่นายก็แย่ลงเท่านั้นนายทหารน่ะรีบแล่นไปห้ามแมมเบลก่อนเนอะน้ากรองน้ําเกลืออะไรก็ยังไม่ต้องให้ก่อนทั้งนั้นยิ่งยาฉีดยากินน่ะอย่าให้เลยเปนั้นขาดตอนนี้นะ่ะไม่มีประโยชน์หรอกบุญคํากระจันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวเดียวเท่านั้นก็จะมา แถวนี้พอจะหาได้บอกยังไม่ทันจะจบคำดีทั้งสองสมุนซ้ายขวาของระพินก็พลัหายเข้าพงรกริมทางไปทันทีเฉิดบุตรยืนเหลียวหน้าเหลียวหลังแล้วห้อแนบตรงไปยังร่างของระพินซึ่งพวกนั้นยังมุงกันอยู่ขณะที่เขาวิ่งเข้ามาก็เห็นอิสเบนกำลังถือเข็มฉีดยาที่เพิ่งจะดูดออกจากหลอดเล็กๆทดลองยาจากปลายเข็มให้พุ่งออกมาเป็นฝอยกระเซน็น เบนยุดก่อนอย่าเพาิ่งเชิด ว, วุธตะโกนห้ามออกไปสุดเสียงมันดูเหมือนจะชาไปซะแล้วพร้อมๆกระเสียงโวยวายของเขาที่ห้ามหรือยับยั้งเข้ามานั่นเองหมอเบนก็เสือกปลายเข็มฉัดลงไปบนผิวหนังบนท้องแขนของระพินไพรวันในลักษณะฉีดเข้ากล้ามมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เชิด ว, วุตรวิ่งอกตั้งเข้ามาถึงเต็มไปด้วยอาการกระหืดกระหอบ ทุกคนในที่นั้นหันขวับไปทางเข้าเป็นตาเดียวอะไรกันบุษต่างร้องออกมาส่วนหมอเบนนั้นอูทานอะไรออกมาในลําคอเบาๆก้มลงมองเข็มฉีดยาเชิดพุดวิ่งมาเหนื่อยหอบอย่างอ้าปากพูดอะไรไม่ได้ในขณะ น, นี้และต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่สามารถเข้าใจอะไรกันได้เบนยังไม่สนใจอะไรมากไปกว่าหน้าที่แพทย์ของหล่อนพยายามเสือกเข็มที่กระเด้งออกมานั้นเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง เสยงเข็มฉีดยาเล่มเล็กคมกริบและบางเฉียบหักเพีย้ยกวุดคราวนี้เบรรองลั่นทำหน้าเลิกหลักครั้งแรกเข็มเด้งออกมาครั้งที่สองเข็มหักเลยมันเกิดอะไรขึ้นเข็มฉีดยาของฉันถึงปักไม่เข้าไปในผิวของเขายังกะแทงเข้าไปในหนังควายแห้งยังงั้นแหละหลอนเงยหน้าโวยวายกับทุกคนและจัดการเปลี่ยนเข็มใหม่ ทั้งหมดหันไปจ้องคนเจ็บที่หมดสติอีกครั้งเชิดบุตรก็สุดตัวลงคว้าข้อมือแม่ผมแดงไว้ทันทีก่อนที่หล่อนจะพยายามต่อไปเบอย่าเพิ่งฉีดยาหรือให้ยากินใดๆแกรพินทั้งสิน้นโชคดีเหลือเกินนะที่เข็มหักซะก่อนที่ตัวยาจะเดินเข้าใต้ผิวของเขาอิสเบรและฝ่ายมริกันทุกคนงงไปหมดไม่เข้าใจทาไมอะุต เราต้องการช่วยเขาก่อนเดี๋ยวนี้นะร่างกายของเขาเย็นชืดไปหมดอุณหภูมิแทบไม่เหลืออยู่แล้วฉันจะให้ยากระตุ้นหัวใจก่อนแล้วต่อไปก็จะให้แคลเซียมช่วยในด้านความร้อนอย่าเพิ่งปฏิบัติการใดๆ ใ, ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนทั้งสิ้นเบรนายพันตรีหนุ่มบอกกระหืดกระหอบและลำกะละักผมขอร้องนะทุกคนอะ่ะโเชื่อผมสักครั้งผมรับผิดชอบในชีวิตระพินในครั้งนี้เอง ถ้ า, าก็าพวกคุณปฏิบัติตามผมและเป็นผลให้เขาเสียชีวิตลงผมจะอธิบายให้ฟังขณะนี้นาะยรพินชั้นไหนมากเขาจะต้องได้รับการกรอกยาสมุนไพรเพื่อให้อาเจียนหรือสำรอกออกมาซะก่อนตอนนี้บุญคำกระจันก็ไปหาสมุนไพรนั่นมาแล้วถ้าหากว่าคุณฉีดยาใดๆเข้าไปเมื่อบุญคำเอายาสมุนไพรกรอกปากมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเป็นพิษขึ้นมาทันทีและรพินก็จะตายแทนที่จะรอด เนื่องจากสมุนไพรของบุญคำกับยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ผสมกันไม่ได้รอ้อยยาของบุญคำมาและให้เขาอาเจียนซะก่อนต่อจากนั้นจึงจะเป็นหน้าที่ของหมอเบลนี่บุทธจะบ้าไปแล้วเหรอคุณเอาอะไรที่ไหนมาพูดจับโตเขาดูที่คุณโตก็ เ, เย็นลงไปทุกทีแล้วชีพจรก็ช้าเหลือสี่สิบห้าถึงห้าสิบเท่านั้นนี่มันโคม่าเลยนะคุณ เบริร้องเสียงแหลมแล้วพยายามจะฉีดยาให้ได้แต่เชิดวุธจับแขนไว้มั่นกระชากเข็มฉีดยาไปจากมือตะโกนว่าก็ผมบอกแล้วไงว่าขอให้ทุกคนเชื่อผมสักครั้งไม่ได้ไม่ได้ยินนอไงจากเสียงที่แผดเอ็ดอึงของเชิดวุฒินั่นเองทำให้ฝ่ายอเมริกันทั้งหมดชะงักจ้องเขาเขม็งเป็นตาเดียวเชิดวุฒอึกอึอักอกัไม่ทราบจะอธิบายยังไงได้ถูก นายวุฒลองอธิบายชัดหน่อยสิมันหมายความว่ายังไงครั้นแล้วด็อเตอร์สแตนลีย์ก็เอ่ยเสียงต่ำๆขึ้นมาทมกลางความเงียบด้วยการตะลึงของคนที่แวดล้อมอยู่ด็อเตอร์ครับผมก็อธิบายไม่ถูกหรอกเอาไว้บุญคำกระจันมาถึงซะ ก, ก่อนเท่านั้นขอเวลาแค่เดียวเดียวเท่านั้นครับตอนนี้ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ปมพยาบาลเขาในทางสรีระภายนอกไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งให้ยาไม่ว่ายาอะไรทั้งสิน้นขยายเข็มขัดแก้ส่วนที่รัดครับผ่อนคลายออกจัดที่เขานอนอย่างสบายต้มน้ำเอาผ้าประครบที่ต้นคอและรอยฟกช้ำของเขาไปพลางๆก่อนที่ยาของบุญคำจะมาถึงแล้วกันบุตรคุณแววความคิดนี่มาจากไหนแล้วคุณเชื่อได้ยังไงอ๋อ นี่แปลว่าเขาจะไม่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังงั้นเหรอคริสติน่าถามเสียงกระด้างขณะที่มือยังจับอัตราเป็นชีพจรคนเจ็บอยู่ตลอดเวลาส่วนเบนเอามือค่อยๆบรรจงแหวกม่านตาที่ปิดอยู่แล้วเอาไฟฉายแพทย์เล็กๆส่องดูทุกคนโปรดฟังผมนะครับเชิดบุตรพูดอย่างพยายามหันไปยังอเมริกันทุกคนที่มองมายัางเขาเป็นตาเดียว ผมไม่ใช่คนงมงายด้วยการศึกษาแบบชาวป่าชาวเขาทั้งหลายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่ำเรียนมาในระดับเดียวกับพวกคุณนั่นแหละแต่บางทีเราก็ต้องยอมเชื่อในบางอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องที่เราไม่ชำนาญบุญคํากระจันนะให้ผมมาขอร้องพวกคุณไว้เป็นการด่วนว่าไม่ให้ฉีดยาหรือยากินใดๆแก่เจ้านายของเขาก่อนนิฉะนั้นยาของฝ่ายเขาจะไม่สามารถให้แกรพินได้ ขืนให้ซ้ำเข้าไปอย่างที่บอกแล้วมันก็จะกลายเป็นยาพิษทันทีและถ้ายังไม่มีโอกาสารักษาด้วยสมุนไพรเพื่อให้สำรอกออกมาซะก่อนจริงอยู่ยาฉีดยากินอาจช่วยระพินได้เหมือนกันผมเชื่อความสามารถของพวกคุณว่าเอาเข้าไว้อยู่แต่มันอาจจะช้าเสียเวลาไปเปล่าๆระพินอาจจะต้องนอนสมสะบักสะบอมให้พวกคุณรักษาอยู่อีกหลายวันกว่าจะหาย แต่บุญคำเขารับรองเอาหัวเป็นประกันว่าถ้ายาสมุนไพรจะช่วยเร็วขึ้นได้พวกนั้นบอกว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกินพรุ่งนี้เจ้านายของเขาจะต้องเป็นปกติก็แล้วทำไมเราไม่ลองเชื่อพวกเขาดูสักครั้งล่ะครับเขาอยู่ในป่ากันมานานแล้วเขาผ่านเหตุการณ์อย่างนี้กันมาแล้วนะครับ เ, เบลเบิกตาขึ้นนิดนึงพร้อมกรยักไหลฉันไม่เข้าใจ ก็แปล ว, ว่าตอนนี้ตาเท่าบุญคำนั่นเป็นหมอไปแล้วใช่ไหมไอ้ส่วนปริญญา M.D. M.S.C. ของฉันมันไม่มีความหมายตั้งใจนะจะออยังไงกันก็แล้วหล่อนก็สะกิดแขนคริสติน่าบอกว่าเราถอยออกมา ก, ก่อนปล่อยพวกหมอผีก็กันไปพลางๆก่อนว่าแล้วเบนเองก็เคลื่อนตัวห่างออกมานั่งที่โคดหินใกล้ๆ หลอนขัดใจเป็นอย่างมากที่ถูกยับยั้งไว้ไม่ให้ทำการรักษาคนเจ็บตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหล่อนคริสตินานั้นมีความอดทนและสัญชาตยญานที่ละเอียดอ่อนมากกว่ายังคงจับข้อมือระพินอยู่เช่นนั้นไม่ได้ถอยออกมาด้วยแต่ก็มึนงงพูดอะไรไม่ถูกระยะเวลาระหว่างนี้เชิร์พุธพยายามพูดอธิบายกับสตนลีและคิดจนสุดฤทธ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการถ่วงเวลาไปพังพางก่อนผู้ชายดูเหมือนจะพูดได้ง่ายกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะหมอเบร์ซึ่งกระฟัดกระเฟียดไปแล้วเพราะความฉุนเฉียวภายหลังสอบซักอยู่ครู่หนึง่งสแตนลีก็พยักหน้าบอกว่าอักตกลงเราจะระงับการให้ยาระพินไว้ก่อนตามที่ฝ่ายพรานพื้นเมืองลูกน้องของเขาขอร้องเอาไว้ั้งนั้นก็บอกให้พวกนั้นต้นมน้ำขึ้นเดี๋ยวนี้เลย เจ้าน้ำร้อนๆชุบผ้าเช็ดตัวแล้วก็ประครบรอยถูกกระแทกเขาซะก่อนเชิดบุตรซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายพลนพื้นเมืองทั้งหลายก็หันไปร้องสั่งการทันทีทั้งหมดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลาพวกกะเหรี่ยงตะเคียนทองทั้งลูกเล็กเด็กแดงและผู้หญิงที่ขึ้นไปอาศัยอยู่บนหน้าผาในถ้าสูงบัดนี้ทยอยกันลงมาเต็มไปหมดและเข้ามาให้การร่วมมือทุกอย่างเท่าที่จะทาได้ ทุกคนแสดงให้เห็นชัดโดยอาการอย่างจริงใจว่าเป็นห่วงระพินกันทั้งสิ่งเบนนั้นไม่คิดเข้าไปพูดอะไรอยู่ด้วยสักครู่หนึ่งก็ละความขุ่นเคืองเข้ามาใกล้คนเจ็บอีกครั้งตลอดเวลาคริสติน่าทำหน้าที่ปฐมพยาบาลอย่างคล่องแคล่วที่สุดการก่อฟืนต้มน้ำทำให้น้ำเดือดไม่ทันใจหล่อนก็สั่งให้พวกนั้นไปเอาเตาแก๊สลงมาแทนเพื่อประหยัดเวลา เสื้อผ้าของจอมพรานที่สวมใส่อยู่ในขนาดนี้ก็ถูกขยายออกให้หลวมพอน้ำเดือดเบลเป็นคนเช็ดตัวให้โดยมีเชิดวุธคอยช่วยเหลือสวนเสยก็เกิดสอนให้คริสติน่าม้วนผ้าเป็นลูกประครบอบไอรอนขยี้คลึงเบาๆไปตามต้นคอของพรานใหญ่ซึ่งบับ น, นี้ร่างกายของเขาอ่อนปวกเปียกสุดแต่ว่าใครจะจัดพริกหันซ้ายหันขวายังไง สเตลลีก้มลงมาหยิบเข็มฉีดยาอันที่หักทิ้งอยู่กับพื้นขึ้นมาพิจารณาแล้วพยักหน้าเรียกคิดเข้าไปซุบซิบหาหรืออะไรอยู่ครูก็ถามเบนว่าเข็มฉีดยาอันนี้ใหม่เอีย่ยมมันหักได้ยังไงเบ็นฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันานายจันว่าฉีดอย่างธรรมดานี่แหละเสือปลายเข็มเท่าไหร่ก็ไม่ยอมทะลุผิวหนังครั้งสุดท้ายฉันตัดสินใจปักเข้าไปค่อนข้างแรงมันก็เลยหัก ผิวหนังของเขาตอนนี้มันดูพิกลอยมีอาการลื่นและเหนียวแน่นยังไงบอกไม่ถูกเวลาเข็มจิ้มเข้าไปมันก็บุบตามรอยเข็มจะ แ, แทงไม่เข้าเพราะกดหนักเข็มก็หักโชคดีเท่าไรแล้วที่เข็มหักซะก่อนโดยที่คุณฉีดยาไม่เข้าถ้าเข้าและเดินยาเมื่อไหร่ยาสมุนไพรของบุญคาก็ไม่ต้องให้แล้ว รพินก็จะต้องนอนให้พวกคุณรักษาอีกนานและถ้าเขานอนสักคนเดียวเราก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการให้เขาหายและแข็งแรงโดยเร็วที่สุดยังงั้นไม่ใช่เหรอผูพ้พูดคือเชิดพุดไม่มีใครถามอะไรอีกในบรรดาฝ่ายอเมริกันนอกจากกระพริบตาปริบ ป, ปริบระหว่างที่ขยับขยายเสื้อผ้าของพรานใหญ่ให้หลวมออก คริติน่าลูปคลําและค้นไปตามกระเป๋าเสื้อและกางเกงของเขาปิ่นเอาสิ่งที่บรรจุอยู่ซึ่งจะทําให้เกกะนอนไม่สะดวกออกมาทีละอย่างกองรวมกันไว้มีกระสุนอะไรที่เสียบอยู่ตามช่องที่ถักไว้ใกล้ๆแผงอกและมัดรวมด้วยเส้นยางเส้นเล็กๆประมาณยี่สิบนัดอีกสองนัดอยู่ต่างหากในกระเป๋าเสื้อข้างหนึง่งหลอนสังเกตเห็นมีรอยขีนแทงชนวนเจาะลงไปแล้ว แตกระสุนด้านจึงส ก, กิดสแตนลีแล้วส่งกระสุนทั้งสองนัดไปให้ดูอะไรกันนี่พบที่ไหนในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายของเขาค่ะแยกต่างหากจากกระสุนที่ยังไม่มีรอยยิงซึ่งจะมัดรวมกันด้วยยางทางด้านกระเป๋าขวาเขายิงอะไรไปสอนัดแต่กระสุนมันด้านมันไม่น่าจะด้านเลยนะกระสุนนกไม่เอี่ยมยังเงี้ย รอยเข็มก็เจาะออกลึกเต็มที่ความจริงเขาหน้าจะทิ้งมันไปแล้วมีเหตุผลอะไรที่เขาเก็บขึ้นมาอีกสยงหัวหน้าคณะบนแล้วส่งไปให้คิดดูส่วนคริสติน่าก็ทำหน้าที่ล้วงควักต่อไปได้กลักเก่าๆของตลับยาอมภายในบรรจุยาแก้ปวดแก้ไข้จับสันธรรมดาแล้วของกระจุกกระจิกที่หลอนไม่เข้าใจไทยบรรจุสิ่งที่หลอนไม่เข้าใจอีกหนึ่ง ดำปู้ปีกลัดติดอยู่กระอกเสื้อด้านในในกระเป๋ากางเกงก็มีผ้าเช็ดหน้าแบบผ้าขนหนูมีดพับเล็กๆซึ่งมีทั้งเครื่องเปิดกระป๋องเรชิ่นเปิดจุกขวดสกรูรวมเข้าชุดอยู่ในกระเป๋าหนังเก่าๆลักษณะบรรจุธนบัตรแต่ไม่มีธนบัตรมีแต่เอกสารพับใส่อยู่สองสามชิ้นรูปถ่ายภาพสีของผู้หญิงคนหนึ่งในลักษณะถ่ายเล่นๆ หล่นออกมาจากกระเป๋านั้นตกลงบนตักของหล่อนโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นคริสติน่ารอดเก็บใส่กระเป๋าเสื้อของหล่อนไว้ทันทีนอกนั้นสมบัติทุกชิ้นที่ปลิ้นออกมาจากตัวระพินหล่อนกองรวมไว้แล้วฝากให้อยู่ในความดูแลของเกิดกระเสยสองมีบโบวีที่ติดเข็มขัดอยู่ก็ถูกถอดออกไปด้วยรวมทั้งรองเท้าแล้วหลอนก็สั่งให้พวกลูกหาด ที่มานั่งรุมคอยช่วยเหลืออยู่ใช้ผ้าอบไอ้น้ำร้อนโปะไว้ที่ปลายเท้าเปลือยอันเย็นเฉียบราวกะสบของเขาขอวัด b ีพีหน่อยจะขัดข้องไหมอะไรก็ได้ขอไว้สองอย่างเท่านั้นแหละหนึ่งย้ายายาสองคมขืนเขาเชิดบุตรตอบพ่นหวดสันนอบบิด๊ดแม่ผมแดงสบดดาบเบา ปลายหางตาตะวัดผ่านหน้าเชิดบุตรแล้วจัด ก, การตรวจวัดความดันทันทีอึดใจเดียวก็คลายสายรัดออกถอนใจเฮือเป็นไงบ้างะคิดถามถูกแบทลอนตอบสั้นๆร่างของจอมพลานผู้เคราะร้ายสีเซียวปราศจากสีเลือดเย็นชื่อลมหายใจแผ่วจนเกือบจะสังเกตเห็นไม่ได้หน้าท้องที่แบงอยู่แล้ว ลึกโบลงไปเกือบจะติดกระดูกสันหลังเมื่อแบะ อ, อกเสื้อออกไปรอยฟกช้ำดำเขียวก็ปรากฏเต็มไปหมดทั้งแผ่น อ, อกเฉยทำหน้าที่เป็นผู้อธิบายให้พวกลูกหาบและโบเมียกับกเกรี่ยงตะเคียนทองทั้งหลายได้ทราบว่าไปพบพรานใหญ่ที่ใดในลักษณะใดตลอดเวลาของการช่วยกันประถมพยาบาลในขั้นต้นไม่มีทีท่าว่าระพิงจะรู้สึกตายขึ้นมาได้เลย ทุกคนรอคอยการกลับมาของบุญคำและจันอย่างกระสับกระส่ายและดูเหมือนจะลืมเรื่องอื่นใดทั้งปวงลงชั่วขณะเบนยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะที่กระซิบถามอัตราชีพจรจากคริสและบอกกับทุกคนว่านี่ให้เวลาอีก5้านาทีเท่านั้นนะพยาของบุญคำยังไม่มาฉันต้องให้ยาของฉันละถึงแม้จะต้องรักษากันนานหน่อยเราก็ต้องยอม ดีกว่าจะเฝ้าดูเขาอยู่เฉยๆจนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขาที่ประจรของเขาอ่อนลงทุกขณะนั่นเนี่ยทุกคนเงียบกริบต่อมาสแตนลีก็ทำลายความเงียบขึ้นว่าว่าไงบุตรนี่เป็นความเห็นของแพทย์นะตกลงด็อเตอร์ถ้าอีกห้านาทีจากนี้บุญคำยังไม่มาพวกคุณจะดำเนินการยังไงกับเขา ก็สุดแต่จะเห็นสมควรเถิเชิดบุตรตอบแผ่วเบามือกำขยำโนวดอยู่ที่หน้าแข้งและฝ่าเท้าของระพินเพราะไม่รู้จะช่วยอะไรได้มากไปกว่านี้เพียงแต่สิ้นเสียงตอบของเชิดบุตรอึดใจเดียวเท่านั้นก็มีเสียงปา ข, ข้างทางดังสวบสาบรุกรน้นและเสียงปูให้สัญญาณเข้ามาเบาๆทุกคนเหลียวขวับไปมองทันทีหลวงคกับนาจันมาแล้วมาแล้ว เกิดร้องลั่นขึ้นอย่างยินดีสองพานอาวุ โ, โ, โสโผล่พ้นซากช้างที่นอนกองพันเนินอยู่ตรงเข้ามาทันทีอย่างรีบร้อนในมือหอบเอาใบไม้ลักษณะเขียวเข้มเป็นเงาเข้ามาด้วยหอบใหญ่ก่อนจะถึงเสียงบุญคําก็ตะโกนเข้ามาก่อนว่าให้ยานายระพินเข้าไปแล้วหรือยังละ่ะนายทหารเชิด ว, วุตรกระโดดขึ้นยืนทันทีร้องตอบอย่างดีใจว่ายังลุงคํา ยังไม่ได้ให้อะไรเลยพวกเรารออยู่นะเอาละได้การบุนคำมาแล้วแกวหัวร่อร่าแล่นเข้ามาทันทีเกิดและเสยซึ่งดูเหมือนจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรก็ลุกขึ้นโดยไม่ต้องบอกกระบอกไม้ไผ่ขนาดใหญ่แทนครกตรเตรียมไว้ก่อนแล้วกลุ่มพรานพื้นเมืองเข้าไปมุงทันทีฝ่ายนายจ้างยกเว้นเบงกับคริสตินา่า ที่นั่งเฝ้ารรบพิงอยู่ก็พลูเข้าไปดูบุญคำกระจันช่วยกันรูดใบไม้อันมีลักษณะเป็นแฉกสีเขียวเข้มมันปราบนั้นยัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่กำมือใหญ่ๆด่ามดาบเดินป่าที่ล้างไว้สะอาดเรียบร้อยคลุกลงไปแทนสากสอยยิกยๆๆกิ ก, กโดยฝีมือบุญคำไม่กี่อึดใจมันก็แหลกเป็นเมือกสีเขียวจากนั้นเหล้าป่าดีกรีสูงก็เทลงไปประมาณสามี่บซีซี เป็นส่วนผสมบดคนให้เข้ากันเทลงจอกพลาสติกมีปริมาณน้ำเขียวเข้มข้นราวๆครึ่งแก้วแล้วบุญคำก็นำมาให้ระพีเร็วแมมช่วยกันง้างปากของนายให้อ้าออกบุญคำจะเอายานี่กรอกเข้าไปนี่ไม่ใช่กรอกเสร็จก็ชักตาตั้งไปเลยนะ่ะอิสเบนว่าตาเท่าร้องลั่นว่าฮ้ หมอรังมันไม่เก่งเสมอไปหรอกแมมเบรขากันไกลของพรานใหญ่ยังไม่แข็งคางดังนั้นโดยการง้างด้วยเครื่องมือแพทย์ที่สอดนำเข้าไปก่อนปากของเขาก็อ้าออกบุญคำจับตัวยาขึ้นเหนือสีสะบริกรรมอะไรอยู่หมุดมิบแล้วก็กลั้นใจค่อยๆกรอกใบสังกรณีตำผสมเหล้าต้มเองผ่านริมฝีปากกระพินเข้าไปทันที ครั้งแรกสะอึกแขนขากระดกขึ้นเสียงบุญคำโวยวายสั่งการให้ช่วยกันจับตัวไว้มันแล้ว้เบรกับคริสติน่าง้างปากไว้จากนั้นจกก็เทเข้าไปอย่างชัดช้ามันผ่านลำคอของคนเก็บผู้ไม่ได้สติเข้าไปจนหมดเอาละ่ะวัเดียวฮนุมานก็ลุกขึ้นแผลงฤทธิ์ได้ยาพิเพศมาแล้วนายกูก็ลูบระพายเหมือนกัน จะมางวยเช่นไหนครั้งนี้ก็ให้มันรู้ไปแกพูดพลางหัวเราะพลางผิดกับพวกนายจ้างและลูกหาบทั้งหลายที่จิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวมาตลอดนับตั้งแต่เห็นอาการระพินไพรวัตรสแตนลีย์อิสเบร เ, เริ่มจับเวลาทันทีภายหลังจากประคองศีรีสารพินให้เองลงนอนกับเป้ลหลังแทนหมอนทุกคนจับตามองดูเขาเป็นตาเดียว บุงคำนั้นภายหลังจากกรอกยาเจ้านายเสร็จก็ละถอยห่างออกมาอย่างโล่งอกดูท่าแกปลอดโปร่งสบายใจขึ้นมากเหมือนการให้ยาของเถาแมสไซในแอฟริกาหมอเบนกระซิบกับคริสติน่าแผ่วเบาฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะมีโอกาสลุกขึ้นมาได้ความจริงภายหลังจากกรอกยาอันน่ากลัวนี่ลงไปแล้ว แต่เท่าบุญคำก็ควรจะโห่ร้องทำเสียงประหลาดประหลาดและเต้นรอบๆตัวของคนเจ็บไปด้วยแบบพวกหมอผีเผ่ามัดไซมีหลายสิ่งที่เราไม่อยากจะเชื่อและไม่เคยเชื่อมาก่อนในการเดินทางครั้งนี้แต่มันก็ปรากฏผลเป็นจริงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นฉันว่ารอดูปฏิปฏปฏกิริยาคนเจ็บอีกสักพักก่อนแล้วกันคริสติน่าพูดสุขุมและรอบคอบกว่ากระซิบตอ แล้วบอกให้เบนคอยเฝ้าตัวคนเจ็บไว้หล่อนเองลุกขึ้นจุดบุหรี่สูบเป็นตัวแรกเดินตรงเข้าไปหาบุญคำซึ่งกำลังกรอกเล้าลูกปลาเข้าปากอยู่นี่บุญคำเราจะรอนานอีกสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลหล่อนถามเสียงบอกต่ำบุญคำถอนขวดพลาสติกที่บรรจุเหล้าเถื่อนออกจากปากป้ายแขนเช็ดเตรีมฝีปาก ไม่นานรกแมมฟังเสียงไก่ให้ดีถ้าไก่มันขันเมื่อไรนายก็ฟื้นเหมือนนั้นแหละตั้งแต่ต้สว่างจนกระทั่งตะวันขึ้นฉันยังไม่ได้ยินเสียงไก่มันขันสักครั้งบุญคาก็ไม่ได้ยินเหมือนกันสงสัยแถวนี้ไก่ป่ามันจะไม่มีแกตอบหน้าตาเฉย อ, อก้ะทั่ไก่มันไม่ขันละบุญคา ก็ขุดหลุมฝังสิแมมไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนี่ถทรพินไม่ฟื้นนะฉันจะฆ่าบุญคำเป็นคนแรกแล้วก็เชิดวุธเป็นคนที่สองในฐานะที่มาห้ามพวกเราไว้ไม่ให้ฉีดยาเขาตั้งแต่แรกคริสติน่าพูดเสียงเนิบเนิบแต่น้ำเสียงเครียดจริงจังฮ่า <laughs> พวกนายแมมจะฉีดยาให้นายราพิน ทีโทษจะฉีดเข้าไปได้ยังไงถ้าแกยังไม่ยอมไม่ฉีดอ่ะเข็มปากเข้าไปสักร้อยอันก็หักทั้งร้อยอันน่ะแหละแมมยมัวมาคิดข่าบุญคำกันนายทหารเชิดบุตรไปเสียเวลาเลยฟังดิไก่ขันแล้วว่แล้วแกก็ป้องปากแหกเสียงไก่ขันเอกเอ ก, เอก พร้อมกับชี้มือไปทางด้านหลังของคริสติน่าแม่ผมทองยังยืนเม้มริมฝีปากจ้องหน้าแกอยู่เช่นนั้นแต่แล้วก็ต้องหันกลับไปเร็ ว, เ, รวเมื่อได้ยินเสียงร้องออกมาอย่างตื่นเต้นของอิสเบรพร้อมทั้งการเคลื่อนไหวกันอย่างพึ่งผัชุลมุนของบรรด า, าพักพวกทั้งหลาย61ครั้งแรกคริสติน่ายังมองไม่เห็นอะไรมากไปกว่ากลุ่มของพวกพองที่เข้าไปรุมล้อมอยู่ที่ร่านอันนอนเหยียดยาวของคนเจ็บ และบางมิดหมดพร้อมทั้งอาการส่งเสียงเรียกน้มเขาแท่ลอนเพนก็ไปทันทีก็เห็นสตาลีกำลังประคองต้นคอพลานใหญ่ขึ้นดวงตาของคนเก็บยังหลับแต่แขนขาเริ่มกระตุกเคลื่อนไหวไปมาโดยเฉพาะที่หน้าท้องอันแบนราบนั้นมีอาการขย้อนเป็นละลอกคลื่นผสมไปกับอาการสะอึกและมีเสียงครืดคราดในลำคอกดเขากาลังชักเสียงเบลแหลมกล้อง วู้ดชัดอัพเดทเชิดวตาวาัดลันเทพจะตกแม่ผมแดงคว่มไปกับมือในอาการร้องที่ดูเหมือนจะแช่งนั้นทุกคนชุลมุนจ้องดูคนเจ็บอย่างตะลึงในขณะที่คริสติน่าก็แทรกกายพวดเข้ามาอีกคนหนึ่งระพินไพรวันมีอาการขยับขย้อนซึ่งดูผาดผากเหมือนการชักกระตุกอยู่อึดใจใหญ่ต่อมาทั้งทั้งที่ยังหลับตาอยู่เช่นนั้นเขาก็พยายามนเงินลุกขึ้นมานั่ง ต่ลีรีประคองให้ทรงกายนั่งทันทีพรานใหญ่มือสายกวาดไปปากไปมาใครๆจะผลักบุคคลที่รวมจับตุงเขาอยู่โดยรอบขนาดนี้ออกไปแต่ก็ไม่มีใครยอมปล่อยตัวเขาต่างช่วยกันประคองจับไว้รอบด้านลมหายใจอันเคยแผ่วเบาของเขาชนิดเอาสัมลีรนอยู่ตรงช่องจมูกเพื่อทดลองดูก็แทบไม่กระดิกบัดนี้กลายเป็นหายใจหอบแรงฮืดหัดฮืดหดั คุนคำพร้อมทั้งสมุนอีกสามคนก็ห่อก็มาถึงเร็วในห้างนานราพินกำลังจะาเจียนออกมาแล้วช่วยกันประคองไปที่ก้อนหินนั่นเร็วแต่ร้องบอกลั่นแม้จะไม่เข้าใจอะไรนะักแต่ทุกคนก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของตาพรานเท่าทันดีเชิดวุฒิหลันก็ประคองไปอีกด้านหนึ่งในขณะที่สตอรีก็เข้าประกอบอีกด้านหนึ่งลากเอาร่างที่กาลังมีอาการผะ อ, อืดผะอมขยักขย้อนของระพิน ตรงไปที่ก้อนหินเตียเต้ยๆทางด้านปลายเทา้าซึ่งไม่ห่างออกไปนัก บ, บุญคําวิ่งตามมาด้วยฉีบอกให้เอาตัวพลันใหญ่คว่ำหน้าเอาส่วนลิ้นปีคล่อมทับกับแง่หินร่างกายท่อนบนของเขาชะโงกลำไปยังด้านหลังของหินก้อนนั้นพอพาดร่างคว่ําหน้าลงกับก้อนหินเท่านั้นจอมพลันก็อาเจียนพรวดไฟนายจ้างอเมริกันทุกคนแทบพังหะของเหลวสีแดงคลำ้ำจางบ้างข้นบ้าง พู้พรวดพรวดออกมาจากปากเขาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วนั่นก็คือโลหิตชัดๆเกิดกระโดดเข้าไปลูบหลังเจ้านายยิกยิกสือก็ขย้ำนวดให้ที่ต้นคอและสะบักส่วนบุญคำยืนคุมอยู่ด้านหลังหลับตาพนมมือบริกรรมนี่ในขณะที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนยืนตะลึง น, นั่นรพินส่งเสียงโอออกโอ้อากอาเจียนอยู่เป็นระยะ แล้วครางอย่างเหนื่อยหอบศีรษะของเขาผ ง, งกขึ้นหายใจฟืดฝาดฟืดฝาดแล้วหน้าอันซีดเซียวเขียวคล้ำบัดนี้แดงก่ำเพราะอาการสำรอกเส้นเลือดที่ขมักขึ้นโปนจันโดดกลับไปที่นอนเดิมของเขาคว้าได้ผ้าขนหนูที่คริสติน่าเคยชุบน้ำร้อนเช็ด ต, ตัวนำมาเช็ดริมฝีปากที่อ้าหอบของเจ้านายซึ่งเลอะเทอะไปด้วยน้ำลายปนเลือดการปฐมพยาบาลกันในระยะนี้ เป็นเรื่องของพวกทีมพรานพื้นเมืองลูกน้องของคนเจ็บเองล้วนๆฝ่ายนายจ้างทุกคนได้แต่ยืนมองอ้าปากค้างยังไม่สามารถจะเข้ามาช่วยเหลือใดๆไ ด, ไ ด, ได้ทั้งสิ้นมรุงมาตุ่มด้วยการบีบบีบนวดนว ด, นวดลูบหลังแล้วคนเจ็บก็โกงคออาเจียนจนไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเสียงเขาครางอย่างเน็บอ่อนเน็บเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงพื้นบริเวณหลังก้อนหินที่มานอนคว่ำหน้าอาเจียนอยู่นั้น แดงถือไปหมดส่งกลิ่นคาวคลุงปริมาณของมันที่พุ่งออกมาทั้งหมดด้วยลักษณะที่ควรจะเรียกว่าสำรอกนั้นถ้าใส่กระโถนป iels, ากแตรก็คงจะเกือบสองกระถนเกือบห้านาทีเต็งๆตที่รพินาเจียนเป็นระยะระยะห่างออกไปเป็นลำดับมือทั้งสองของเขาจับที่ขอบก้อนหินอันมานอนทับพังภาพอยู่นั้นเกร็งแน่น อีกสีห้าหนที่เขากงคออาเจียนจนไม่มีอะไรจะออกมาอีกนอกจากเสียงลมแล้วก็รู้ตัวลงไปทำท่าจะ ก, กองอยู่กับพื้นในลักษณะจำเบาเ่าเกิดกระเซยที่รูปหลังอยู่ยิกๆก็เข้าหิ้วทั้งด้านศีรษะมีอาการเหมือนจะช่วยกันอุ้มกลับให้ไปนอนที่เดิมทีกระโดดเข้าช่วยรวบทั้งด้านปลายเท้าหิ้วกันร่องแรงนำร่างพรานใหญ่มานอนตรงที่เดิมทั้งหมดก็พลูตามกันเข้ามา ตรงตำแหน่งนั้นอีกครั้งรวมทั้งพวกลูกหาบและกระเหลี่ยงตะเคียนทองนับสิบ ส, บสบที่เฝ้ารอคอยดูอาการอยู่ด้วยความเป็นห่วงเสียงจันตะเพิดไล่พวกนั้นให้ขยายวงออกไปห่างๆเบนกัคริสมีอาการตื่นเลิกหลากไปหมดพูดกันเองอยู่ฟอดแฟดและแม่ผมแดงก็ขมิขมันวัดความดันอีกครั้งคริสติน่าก็จับชิบพจน์ขณะนั้นบุญคําก็เดินเข้ามาพร้อมกับจอกพลาสติกอีกใบหนึ่ง ซึ่งละลายอะไรชนิดหนึ่งสีดำคล้ำผสมกับ น, น้ำอุ่นแกเข้าทางด้านศีรษะของลูกพี่ใหญ่ร้องเรียกดังๆขณะที่ประคองศีรษะชอนขึ้นนายนายระพินนายระพินแกเรียกซ้ำๆอยู่เช่นนั้นราวสามสี่ครั้งทุกคนก็เห็นระพินไร้วันยกแขนอันอ่อนเปรีย้ยขึ้นเช็ดริมฝีปากครางออกมาทั้งทที่ยังหลับตาว่า กินยาหอมหน่อยยาหอมของพระธุดงที่ให้นายไว้นะ่ะท่ามกลางความอัศจรรย์ใจของฝ่ายนายจ้างทุกคนต่างเห็นจอมพรานพยักหน้าล ง, งหนึกนึงแสดงว่าได้สติและรู้เรื่องพอสมควรทีเดียวจากเสียงเรียกเสียงบอกของบุญคำตาพรานเท่าสมุนขวาประคองศรีรษะของเจ้านายให้สูงขึ้นอีกจรดขอบถ้วยลงการิมฝีปาก อันแตกเป็นเกล็ดนั้นต่างก็เห็นริมฝีปากนั้นเผยเอะ อ, อรับยาทันทีแล้วดื่มลงไปด้วยเจตนาเต็มใจพอดื่มหมดบุญคำถอนถ้วยออกก็ถอนใจเฮือกพื้นพรมอะไรออกมาฟังไม่ได้สับบุญคำค่อยๆผ่อนศีรษะให้นอนลงตามเดิมโดยเอาผ้าเขามาปั้นเป็นก้อนกลมหนุนส่วนศีรษะให้สูงขึ้นอีกแล้วแกก็ถอยออกมาพร้อมกระ บ, บอกว่า เอาละนายห่างทั้งหลายต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของหมอฝรั่งแล้วจะรักษากันยังไงก็เชิญตามสมบายนายของบุญคำไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้แกแค่เพียหมดแรงเท่านั้นบีีเท่าไหร่หัวหน้าคณะร้องถามหมอเบลมาทันทีขณะที่ลอนถอดหูฟังออกมาคล้องคอไวร้อยสิบแปดสิบกาจาย์เกือบจะปกติทีเดียวแม้จะต่าไปบ้าง แต่เมื่อกี้นี้มันเกือบศูนย์เชียอัตราชีพจรล่ะคริสอเมริกันอาวุโสหันไปถามเร็วปรือกับลูกน้องอีกคนหนึง่งอยู่ระหว่างเก้าสิบเก้าสิบห้าค่ะเหมือนคนวิ่งมาเหนื่อยเหนื่อยหัวใจของเขาเต้นแรงเร็วขึ้นแล้วว้าวอิสเมร์โคฮ่ฮ่าันเตอร์ของเรารอตายแล้วว้ยท่านเอกลาริคิดแหกปากตะโกนเอ็ดอึง แทบจะกระโดดตัวลอยทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้ส่งเสียงฮือด้วยความปิติยินดีเหลือที่จะกล่าวคริสตินานั้นด้วยความลืนตัวผวาเขากอดจอมพรานไว้เต็มอ้อมแขนเชอร์ุธก็ส่งเสียงชัยโยลั่นสตาลียิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกถอดหมวกที่ครอบหัวโยนขึ้นสูงแล้วรับไวโอ้ทงก็ตเขาพึมพำส่วนหมอเบนนั่งกระพริบตาปไปคอแข็ง สิ่งที่ประจักษ์ต่อหน้าในขณะนี้แทบทำให้หล่อนไม่เชื่อสายตาร่างกายของระพินบัดนี้มีอุณหภูมิขึ้นแล้วมือทั้งสองและซอกคออุ่นลมหายใจยาวลึกเป็นจังหวะช้าชเหมือนตนเองเจตนาจะสูดออกซิเจนเข้าไปให้มากที่สุดเชิดวุดนั้นชดตัวลงทางด้านปลายเท้าจับที่ฝ่าเท้าเปลือยของพรานใหญ่แล้วบอกว่าแต่เท้าเขายังเย็นชืด อ, อยู่นะ ไม่เป็นไรหรอกมือเขาอุ่นแล้วเบนแคนเซียมก่อนเถอะคริสตินาร้องบอกเพื่อนสาวมาโดยเร็วในประโยคหลังเมื่อ น, นั้นเองหมอเบนจึงตื่นจากอาการตะลึงงนันหันเข้าหายหีบเวชภัณฑ์เสยลงนั่งยองๆข้างเชิดบุตรซึ่งยังจับฝาเท้าของระพินอยู่พูดหน้าตาเฉยว่าตอนนี้นายของเสยเปลี่ยนชื่อจากระพินมาแล้วลเปลี่ยนชื่อเหรอ ก็ใช่ทิในทหารเปลี่ยนจากกระพินไพร์วันเป็นชื่อเท้าอุ่นตีนเย็นยังไงล่ะเชิดบุตรหัวรอกก้ากอกมาแล้วก็ผลักหัวเจ้าเสยทิ่มขมำไปการทะลึ่งพูดเล่นได้ของพรานพื้นเมืองมันบอกให้ทราบชัดได้ทันทีว่าพวกนั้นเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซนแล้วว่าเจ้านายปลอดภัยแล้วเบนบรรจุยา เ, าเข้าเข็มเสร็จก็ร้องถามมาทางเชิดบุตรเหมือนจะให้แน่ใจอีกครั้ง นี่แน่ใจนะว่าฉันจะให้ยาเขาได้แล้วไม่จะกลายเป็นพิษขึ้นมาเหมือนอย่างที่พวกนี้เคยบอกว่าเมาต ก, กี้นี่ฉันไม่รับรองนะแคนเซียมต้องฉีดเข้าเส้นด้วยเชิดวุดเองก็ชักหลังเลเหมือนกันหันไปตะโกนถามบุญคำซึ่งกำลังนั่งมวนยาอยู่อย่างใจเย็นว่าไงลุงคำตอนนี้ให้ยาหมอฝรั่งได้แล้วยังเอาเนะนายทหารตอนนี้จะช่วยกันยังไงก็ได้แล้ว นายอาเจียนมาหมดแล้วละไอพิษช้ำในออกไปกองอยู่นู่นตอนนี้ก็ช่วยเฉพาะให้แกมีแรงอย่าให้จับไข่เท่านั้นไอเรื่องช้ำในน่ะเอาออกถอนหลกถอนโคนไปแล้วเข้าวเส้นเหรอเบนนายทหารหนุ่มถามแม่ผมแดงก็ใช่ที่ช่วยหาเส้นเลือดหน่อยดี่ระหว่างที่เชิดวุตรช่วยหมอเบจับมือหาเส้นเลือดบนแขนของรพิน คริสติน่าก็โบกมือให้รอก่อนตัวหล่อนเองก้มลงไปกระซิบเรียกข้างหูระพินไพวันไพวันหื้เสียงครางตอบบอกสิถ้าคุณยังพูดริจจำเสียงของฉันได้ฉันเป็นใครคราวนี้หล่อนพูดเป็นภาษาอังกฤษคริสติน่า เสียงแหบพร่าผ่านริมฝีปากระพินออกมาแม่ผมทองยิ้มออกมาได้กระซิบช้าๆริมหูเขาต่อไปใช่คริสติน่าคุณเจ็บมากนะระพินแต่ก็ปลอดภัยอยู่ในหมู่พวกเราแล้วขณะ น, นี้เราต้องการฉีดยาคุณคุณฟังได้รู้เรื่องเข้าใจโดยชัดเจนไหมคนเจ็บยังนิ่งหายใจเข้าออกหนักลึก อยู่เช่นนั้นคริสติน่าพูดซ้ำในประโยคเดิมอีกครั้งคราวนี้เขาจึงพยักหน้าลงแต่ไม่พูดหลาจึงทดสอบประสาทการรับรู้ต่อไปโดยบอกเสียงอ่อนหวานว่าไหนแขนขวาของคุณลองยกขึ้นสิคนเจ็บค่อยๆ ย, ยกแขนซ้ายขึ้นทุกคนรวมทั้งคริสติน่าหัวเราะออกมาเบาๆ นั่นมันแขนซ้ายต่างหากออกแขนขวาละ่ะอยู่ไหนกระพินไทวันเปลี่ยนมายกขึ้นอีกแขนหนี่งในกําฝ่ามือเข้ามาสิหล่อนกระซิบสั่งต่อไปฝ่ามือข้างนั้นค่อยๆกําเข้ามาเป็นกําปั้งคริสติน่าเงยขึ้นมายิ้มกับพรกพวกทุกคนแววตาสีฟ้าเป็นประกายไปด้วยความหวังเขารู้สึกตัวแน่นอนนั่นแหละ แต่ยังสลึมสลืออ่อนเพลียอยู่มากเดี๋ยวนะเบีย <Bear. S 1> ให้ฉันทำความเข้าใจกับเขาซะก่อนรพินเยสคราวนี้เป็นเสียงที่ดังชัดขึ้นที่ลอดริมฝีปากตอบมาเรากำลังจะฉีดยาคุณนะคริสติน่าย้ำพูดทีละคำ ยอมให้ฉีดไหมโอเคทุกคนที่ล้อมวงอยู่แทบกระโดดตัวลอยอีกครั้งที่ได้ยินเสียงตอบนั้นเข็มฉีดยาแทงไม่ทะลุผิวของคุณนรพินทำยังไงถึงจะให้เข็มผ่านผิวเข้าไปได้ล่ะคริสติน่าใช้วิธีกระซิบกรอกช่องหูอีกครั้ง ทั้งหมดเห็นคนเจ็บขยับตัวอีกครั้งศีรษะของเขาซึ่งบัดรนี้วางอยู่บนตักของคริสติน่าที่ประคองอยู่ทําท่าจะตะแคงหล่นไปกับพื้นหล่อนจึงใช้ฝ่ามือรีบรับไว้ระพินเริ่มนิ้วหน้าแล้วแยกเขี้ยวออกมาอันเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่แสดงถึงความเจ็บปวดยอกระบมเป็นครั้งแรกต่อมาก็ค่อยๆพนมมือขึ้นจรดอก นิ่งเงียบไปครู่จึงชูแขนขึ้นพยักหน้าบอกมาว่าฉีดได้เลยโฮโหเพื่อนเราแบบนี้ก็สบายแล้วสิคิดร้องลั่นออกมาปนหัวร่อระกระพินเราจะเดินยาเข้าเส้นนะอย่ากระดุกกระดิกขณะที่เดินตัวยานะคุณเบนเช้งอกหน้ามาบอกอีกคนหนึ่ง ตกลงกรุณาเดินยาช้าๆด้วยครับเสียงพูดตอบจากคนเจ็บที่ยังหลับตาอยู่ครั้งนี้ชัดเจนสมบูรณ์ที่สุดแสดงถึงสติสัมปชัญญะที่กลับคืนมาแล้วฝ่ายนายจ้างทุกคนมองหน้ากันเองล้วนแช่มชื่นยินดีปรีดากันทั่วหน้าเบลค่อยๆบรรจงเสือกปลายเข็มเมื่อเชิดบุตรรีดผิวขึ้นมาจนเห็นเส้นเลือดโปน ก็ปรากฏเป็นที่อัศจรรย์ใจอีกครั้งเพราะเข็มฉีดยาที่เคยที่ไม่เข้าในระหว่างที่เขาหมดสติอยู่นั้นครั้งนี้มันทะลุผ่านผิวเข้าไปอย่างง่ายดายที่สุดแม่ผมแดงถอนใจยาวชำเลืองมองหน้าคนเจ็บแล้วสั่นหน้าช้าๆพึมพาว่าคุณคนนี้มีอะไรประหลาดประหลาดอยู่ในตัวมากหรือเกิน แล้วหลอนก็เดินยาอย่างแผ่วนิ่มนวลพอหมดที่บรรจุในหลอดก็ดึงเข็มออกเอาสันดีชุบแอลกอฮอล์ขยี้แล้วบอกกับทุกคนว่าอย่าเพิ่งรบกวนชวนเขาพูดอะไรทั้งสิ้นเลยนะปล่อยให้นอนพักก่อนสักครู่แล้วกันทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งคริสติน่าบรรจงวางศรีรษะนั้นลงกับที่หนุนตามเดิมเชอร์บุสไปเอาผ้าผวยมาคลุมที่ปลายเท้าให้ แลปล่อยให้แสงแดดอบอุ่นยามเช้าสาดเข้ามากระทบเพียงแต่บางไว้ไม่ให้ส่องหน้าเท่านั้นบัดนี้ชั่วโมงวิกฤตนาทีแห่งความเป็นความตายของพรานใหญ่ก็เป็นที่แน่ใจของผู้ร่วมคณะทุกคนว่าได้ผ่านพ้นไปแล้วสแตนลีในฐานะหัวหน้าคณะสั่งให้พวกพรานพื้นเมืองลูกหาเล็กระเรียงที่ยกขยงกันลงมาจากหน้าผาทั้งหมด เคลียพื้นที่ของบริเวณนั้นเท่าที่จะทำได้ในทันทีแ้นชั่วคราวถูกตั้งขึ้นอีกครั้งอย่างน้อยก็เพื่อการพักตลอดกลางวันของวันนี้ส่วนเมื่อถึงเวลากลางคืนก็ค่อยเป็นปัญหาเฉพาะหน้าคบคิดเปลี่ยนแปลงกันอีกทีหนึ่งทุกคนร่วมมือกันอย่างแข็งขันฝ่ายนายจ้างทุกคนเริ่มจะหายใจได้ทั่วท้องเป็นครั้งแรกต่างสุบุรีและดื่มกาแฟกันอยู่ใกล้ บริเวณที่คนเจ็บนอนพักนิ่งอยู่ยังไม่มีใครแต่ต้องอาหารเช้าอย่างอื่นทั้งสิ้นนอกจากพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองเท่านั้นกิ่งไผ่อันแทนเสาสำหรับให้น้ำเกลือช่วยได้ถูกนำมาปักเตรียมไว้แล้วบุญคำกับสมุนช่วยกันกอบเอากรวดขินลูกรังมากรบรอยอาเจียนปนเลือดของเจ้านายข่าวการเจ็บปวดอย่างกระทันหันของพรานใหญ่แววไปถึงสะเอิง ผู้นอนรักษาตัวอยู่บนถ้ำของหน้าผาซึ่งค่อยยังชั่วมากแล้วเจ้ากระเกรียงผู้นั้นดิ้นรนบอกลูกเมียญาติโยมจะตักกายลงมาดูอาการของพรานใหญ่ให้ได้อิสเบนต้องให้คนขึ้นไปบอกข่าวแก่สะเอิงว่ารพินปลอดภัยแล้วและคืนนี้จะให้คนหามพรานใหญ่ขึ้นไปนอนอยู่ในโพรงถ้ำเดียวกันกับมันสะเอิงจึงยอมสงบและไล่เมียให้ลงมาคอยรับใช้ดูแลอยู่ด้วย